ฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทั้งๆ ท, ที่ฉันก็ไม่ไว้ใจแกเลยแต่ทาไมฉันจึงหาลือเรื่องนี้กับแกว่าแต่นี่เน่งูยักษ์ตัวนั้นกาลังเป็นปัญหาหนักอกสำคัญของเราอยู่ในขณะ น, นี้แกมีความคิดอย่างไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมกะเช่นเดียวกับผู้กองครับภายในไม่เกินหกเจ็ดวันนี้มันจะต้องหวนมาเล่นงานหมู่บ้านอีกมิฉะนั้นก็เข้ามาในรัศมีใกล้เคียงที่เราพอจะตามมันได้มันใหญ่ถือเกิน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 คนเขาไปอยู่ในทิศทางนั้นก็คงถูกมันบดแลกไปทีเดียวนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดกันให้มากที่สุดเมื่อมันถูกยิงมันจะดิน้นอาจหนีหรืออาจสู้และในระยะกระชั้นชิดติดพันฝ่ายเราต้องโดนมันบดเอาบ้างนแน่ๆโดยที่มันเองก็อาจไม่ตั้งใจหรือเจาะจงแง่าสายเงยหน้าคิดแล้วถามว่าผู้กองจะทำอย่างไรครับก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น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 ขนาดราตัวมันอวดใหญ่หลือเกินลูก ป, ปืนขนาดใหญ่ที่สุดของเราเทียบกับมันแล้วก็เล็กนิดเดียวกะลําบากหรือเกินว่ากระดูกสําคัญของมันอยู่ระดับไหนถ้ายิงไม่ตรงที่ก็แพร่ไม่มีความหมายอะไรเลยตรงข้ามกับจะแย่มันให้มีฤิ์เดชมากขึ้นไปอีกภายหลังจากนิ่งคิดอยู่ครู่แง่สายก็พูดมาอย่างระมัดระวังว่าผมได้ยินนายใหญ่พูดถึงระเบิด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 ผมเคยลอบเข้าไปก่อวินาทศ ก, กรรมคลังแสงและค่ายทหารของพ่อม่อดีตร้อยโทกองโจนกระเดียงพูดแผ่วต่ำแชื่มช้ารูปมือทั้งสองเข้าหากันไปมาหน่วยของผมใช้ระเบิดไนโตรมัดติดกับลำของลูกธนูตั้งสายชนวนระเบิดสิวินาทีต่อระยะที่หมายทำลายห่างราวห้าสิบสิเมตรเราย่องเข้าไปจนได้ระยะยิงจุดชนวนขึ้น แล้วยิงลูกธนูให้เข้าไปปักอย่างที่หมายต้องการที่ไหนก็ที่นั่นพินาศเป็นจุนมหาจุนแม่นยำและแน่นอนยิ่งกว่าใช้ระเบิดมือคว้างอำนาจของนโตใช้การทำลายได้เหนือกว่าลูกธนูที่อาศัยเป็นพาหนะนำดินระเบิดไปก็ส่งได้ไกลกว่าระยะค ว, ว้างมันทั้งเสียบทั้งแม่นยำและแลัศมีทำลายจากจุดเริ่มต้นก็กว้างขวางมาก สมมุติว่าเราจะใช้วิธีเดียวกันนี้ยิงโนูให้เข้าไปปักตามลำคอหัวหรือปากของมันไนโตก็จะระเบิดขึ้นตามจำนวนเท่าที่เราจะยิงไปได้มันพอจะได้ผลไหมครับและพินลืมตาโพรง่งหน้าแดงขึ้นด้วยความตื่นเต้นปิติเหลือที่จะกล่าวแทบจะ ก, กระโจนเข้ากอดแง่ทราย ไ, ไว้ร้องรั่นออกมาสำเร็จแงทรายให้ตายเถอะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะมีความคิดได้วิเศษถึงเพียงนี้ ในโตแต่ละลูกที่เราจะส่งติดกับลูกธนูเข้าไประเบิดมันมันมีอำน า, ำนาจเสียยิ่งกว่าลูกปืนขนาดจุดหกศหลายเท่านักและเราก็มีระเบิดในโตมาพร้อมลูกลูกหนึ่งสามารถระเบิดหินได้หลายตันและน้ำหนักของมันก็ไม่เกินกว่าที่ธนูจะพาไปได้เรียกว่าถ้าทำอย่างแกว่านี่ได้สำเร็จเราก็มีปืนใหญ่ใช้กันทีเดียวแหละว่าแต่แกยิงธนูได้คล่องดีหรือเมื่อยามไม่มีปืนใช้ผมใช้ธนูร่าสัตว์มาก่อน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 ตกลงเป็นอันว่าแกกับฉันเป็นหน่วยปืนใหญ่อย่างว่านี่แกเป็นพลยิงฉันเป็นพลบรรจุหรือจะเรียกให้ถูกก็คือคอยจุดชนวนให้แกนั่นเองพับผาสิมันเป็นวิธีที่แยบยลที่สุดจนคิดไปไม่ถึงทีเดียวแหละของเก่ากับของใหม่นํามาผนวกกันเข้ากลายเป็นอาวุธพิสดารขึ้นมาได้โชคดีเหลือเกินที่สมัยแกยังเป็นทหารโจรกะเหลี่ยงส่วนฉันเป็นตํารวจชายแดน แกไม่ได้เอาวิธีนี้มาเล่นงานพวกฉันเข้าให้ว่าแต่เราจะหาหนูได้ที่ไหนตามปกติพวกกะเลียงทั่วไปแม้ที่รมช้างนี้มันก็ใช้หน้าไม้กันทั้งนั้นลูกดอกที่ยิงจากหน้าไม้มันติดระเบิดไม่ได้แง้ท า, ายหัวเราะพรุ่งนี้ครึ่งวันผมก็ทำเสร็จครับถนูที่แกเคยใช้ในการนี้น้ำหนักแรงเหนียวประมาณสักเท่าไหร่ก็ต้องหนักหน่อยครับ อย่างน้อยแรงน้าวต้องไม่ต่ำกว่าเจสปอนสักขนาด80ดสิกำลังดีที่สุดสำหรับลูกธนูที่พาระเบิดไปด้วยกระพินกะคำนวณข้าวค่ า, าแล้วเบ้ปายิ้มฝืดฟืฉันเคยมีความรู้งูงูงปลาตเกี่ยวกับการยิงธนูอยู่บ้างเหมือนกันธนูที่ฉันเคยยิงน้ำหนักเพียง60ปอนเท่านั้นรูปร่างข้อลำขนาดฉันยังเหนี่ยวสายมันไม่ค่อยไหวถ้าเจอขนาด80ปอนเข้าไปก็คงตึงสายของมันไม่ขึ้นเลย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 มันอยู่ที่จังหวะในการเหนี่ยวสายซึ่งเป็นเคียดลับชนิดหนึ่งที่อธิบายยากตามปกติเราเหนี่ยวสายธนูเล่นเฉยๆจะรู้สึกว่ามันหนักมากถ้าไม่มีแรงดึงให้คันธนูโค้งลงมาได้แต่เมื่อเป้าหมายสําคัญรอคอยอยู่เบื้องหน้าเมื่อลูกผ้าพร้อมอยู่ในสายและสําคัญที่สุดเมื่อมีไนโตผูกติดอยู่กับดอกธนูด้วยเช่นนี้แม้ผู้ก่อจะคิดในครั้งแรกว่าไม่สามารถเหนี่ยวสายยิงได้ครั้นถึงเวลานั้นเข้าจริง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 คิดดูแกคงเคยระเบิดตาในถ้ำ ม, มาแล้วแกจุดระเบิดทิ้งลงไปให้มันระเบิดขึ้นใต้น้ําปลาน้อยใหญ่หรือสัตว์น้ําทุกชนิดในระแวกรัศมีระเบิดถูกอํานาจอัดแรงระเบิดลอยตามขึ้นมาเป็นแพมันตายเพราะแรงอัดของน้ำไม่ได้ตายเพราะบาดแผลอย่าว่าแต่สัตว์เลยเรือดําน้ําทั้งลําก็ยังแตกเพราะอํานาจแรงอัดของระเบิดน้ําลึกเราจะใช้ทฤษฎีนี้แหละฆ่าไอ้งูยักษ์ตัวนั้น แทนที่จะฆ่าด้วยรูปปืนซึ่งมองเห็นความหวังได้น้อยหรือเกินเอาละแผนการของแกอันนี้ใสาแจ๋วแล้วและฉันก็เห็นด้วยกับแกอย่างยิ่งพรุ่งนี้ฉันจะบอกแผนของแกให้พวกเจ้านายทราบเขาคงจะตื่นเต้นยินดีกันมากทีเดียวปรึกษาหาเรืออยู่กับแงซาาอีกสองสาคำแล้วพินก็ผรักไปนอนประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษนางอ้วขยาวปลุกดาารินขึ้นด้วยอาการร่ำรักตื่นตกใจ ปรากฏว่ามุมีอาการกระสับกระส่ายร้องครางด้วยพิษของบาดแผลที่อักเสบเต็มที่เชื่อถากับชายยันรับเป็นตายเพราะความอ่อนเพลียนในการเดินทางเมื่อกลางวันไม่รู้สึกตัวรับรู้เหตุการณ์ด้วยและหล่อนก็เห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรบกวนเวลานอนของคนทั้งสองจึงลุกขึ้นมาปลุกปั้ากับเจ้ามุตามลาพังโดยนางอั้วและแง่ทายคอยเป็นลูกมือช่วยเหลืออย่างอย่างนั้นภายหลังจากฉีดมอฟีนให้หนึ่งเข็มมุก็ซึมสงบไปอีก ล่าจะสะกุลสาวกลับไปที่เตียงสนามของรอนตั้งใจจะนอนต่อเมื่อจัดการกับคนเจ็บเสร็จเรื่องไปแต่แล้วก็นอนไม่หลับอากาศกลางดึกมันหนาวเหน็บเข้าไปจนถึงกระดูกจนต้องลุกขึ้นมานั่งดื่มบรั่นดีและสวมเสื้อคลุมขมจัดตัวยาวทับไว้อีกชั้นหนึ่งในความเงียบสงัดนั้นรอนก็แว่วเสียงทุ้มกังวานลอยปลิวเข้ามากระทบโสดประสาทมันเป็นเพลงกระเลียงที่รอนไม่รู้ความหมายของถ้อยคา แต่ก็พอจะสำเนีจอกรีลาอันเยือกเย็นไพเราะของมันที่ราวกับว่าจะกลั่นกรองออกมาจากหัวใจของเจ้าของเสียงมันช่างอ่อนหวานซาดหัวใจสินิกระไรใครหนอที่เป็นเจ้าของเสียงเพลงรากชาวขาวยามดึกสงัดเช่นนี้เดินมาแหวกประตูกระจมทอดมองออกไปขณะนั้นเดือนแรมรอยอยู่กลางฟ้าอันโปร่งใสแง่ท า, ายคนเดียวเท่านั้น ที่แล่เห็นนั่งเงาแต่คุ้มอยู่บนขอนไม้ข้างกองไฟและเสียงเพลงรอยมาจากที่นั่นหญิงสาวเงียหูฟังอย่างชงนคลางครั่นยิ้มออกมาน้อยๆกับตนเองอดที่จะปล่อยอารมณ์ให้ดื่มลึกไปกับกระแสเสียงนั้นไม่ได้หล่อนไม่นึกมาก่อนเลยว่าจะควรใช้ชาวดวงของหล่อนจะร้องเพลงได้ไพเราะซึ้งใจถึงเพียงนี้ทั้งๆที่หล่อนก็ฟังท้อยคำไม่ออก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 ตั้งแต่มีนายเป็นผู้หญิงแสนจะเอาแต่ใจตัวพาโลขี้งอนชอบข่มขู่คนนี้อยัดยั่วนะยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยแล้วผินเบิกตาตื่นมองไปรอบๆตัวแล้วห่อไหลลงเออากาศคืนนี้ก็เย็นฉ่ำดีอยู่นี่ถึงอากาศเย็นเลือดมันก็ร้อนขึ้นมาได้ถ้าโทระมันถูกยั่วยุลูกแกะผู้น่าสงสารนอนต่อไปดีกว่าว่าแล้ว ก็ซุดตัวนอนตามเดิมเอาผ้าผืานบางคุมโปแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะผ้าผุายเก่าๆผืนนั้นถูกกระชากพ้นไปจากตัวโดยแรงพร้อมกับเสียงแว๊ยังไม่ให้นอนถาดแดงๆอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยเดี๋ยวก็ย่างเป็นหมูหันสิหรอกเแล้วผพินลุกขึ้นนั่งอีกครั้งถอนใจเฮือกเวรเสียจริงผ้าผ่าขนาดนอนหลับไปแล้วยังสามาหาเรื่องอีกใครหาเรื่องใครไปว่าอะไร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 ดารินขยุ่มผ้าหม่มผืนนั้นเป็นก้อนและป่าใส่หน้าเขาพลานใหญ่รับไม่ได้แยกเคี้ยวก็ใส่พอดารินหันไปคว้าดุ้นฟืนติดไฟก็เห็นหรือไปนั่งคุมเชิงอยู่ที่ก้อนหินฝั่งตรงข้ามห่างรัศมีเก่งจริงหนีทำไมล่ะแล้วเรื่องอะไรจะเห็นคนเป็นหมูหันเอาไฟมาลนหม่อมราชวงศ์สาวคอหน้ากลัวทาเสียงหืดหื อ, อยู่ในลาคอแล้วหันไปดูที่ผ้าห่มของเขาที่รอนใช้เป็นอาวุธปาใส่หน้ามืตะกี้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 ให้เป็นเครื่องราชบรรณาการแก่ขยินผู้สหายรักไปเสียแล้วตั้งแต่เมื่อกลางวันนี้อยากจะได้คืนไปทวงที่ขยินบ้าอ้อนี่เอาพระหมของฉันไปให้ขยินเสียแล้วหล่อนร้องแหลนตาลืมโตอีกฝ่ายก้มศรีศรษะลงควักบุหรี่มาจุดสูบบอกหน้าตาเฉยใช่ให้ไปเสียแล้วดีละ่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าหวังที่จะได้อะไรจากฉันอีกเลยก็ไม่เคยคิดหวัง ที่จะให้ตนเองต้องผิดหวังผ้าพันคอของฉันที่พันแผลที่ข้อมือนั่นถอดขึ้นมาให้เสียเดี๋ยวนี้หล่อนออกคําสั่งเฉียบขาดเสียงเครือแล้วหินหัวเราะอยากได้มาแก้คืนเอาเองขาดเสียงเขาดารินเดินปรีอ้อมกองไฟเข้ามาโดยเร็วกระชาแขนข้างที่พันผ้าของเขาขึ้นขยับจะแก้ปมที่ผูกไว้ออกพริบตา น, นั้นเองวงแขนนําสันเต็มไปด้วยพลังอีกข้างหนึ่งกระครองเอวกระตุก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 อุบอิบอยู่ในรำคอแทบจะฟังไม่ได้สับแต่อ้อมแขนนั้นยิ่งกระสานวงแน่นเข้าไปอีกจนสัมผัสไออุ่นของลมหายใจคนที่อวดดีที่สุดในโรค ก, ก็คือหม่อมราชวงหญิงดาดินวราริตไม่มีใครอื่นหรอกบอกว่าให้ปล่อยได้ยินไหมหลอนตวาดแต่เสียงก็ไม่เกินขัิวซิอยู่เพียงแค่นั้นให้ตายก็ไม่ปล่อยอ๋อนี่บางอาจรวนรามเช่นนั้นเ ก็สุดแล้วแต่จะตั้งข้อหาเอาแงซายฆ่าคนคนนี้เสียดารินตะโกนทว่ามันดังก้องอยู่เพียงในใจนึกเท่านั้นง้างฝ่ามือขึ้นเตรียมจะตบใบหน้านั้นกลับยื่นใกล้เข้ามาอีกเหมือนจะเชื้อเชิญหล่อนตบจริงเหมือนกันแต่อันเนื่อมาจากระยะมันใกล้ชิดเกินไปและคนตบก็จิตใจไม่เด็ดเดี่ยวมั่นคงเหมือนท่าทางนักฝ่ามือข้างนั้นจึงลอยมาสัมผัสแก้มเพียงเบาๆเท่านั้น ริมสีปากที่ไกลอยู่แล้วก็วูบเข้าถึงริมปากบางเฉียบเป็นมุมกระจับสอดถึงแววทนงของเจ้าอารมณ์บดประชิดสนิทแน่เป็นเนื้อเดียวร่างของหล่อนถูกตวัดเอ็นลงนอนพาดกับตักดาลินสำนักนิดหนึ่งผงะดิ้นนิดเดียวเท่านั้นสำหรับแรงต่อต้านขัดขืนนั้นครั้นแล้วก็สนิทนิ่งสั่นปลิ้วไปทั้งล่างเหมือนถูกกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านตลอดทั้งองคาพยศ มือข้างหนึ่งเขายุ่งอยู่ที่ไหล่แข็งแรงอีกข้างหนึ่งกำปลอยผมของศรีรษะนั้นไว้เควนคว้างเรื่อนรอยเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันอันเลือนรางนานเท่านานอ้อมกอดวงนั้นค่อยๆผ่อนคลายออกเหลือกตาที่ปิดสนิทคู่นั้นเต้นพริว้วลมหายจใจแผ่ระดวยเหมือนคนที่ตกอยู่ในห้วงวิสันยีด้วยมนต์สะกุครั้นแล้วทันทีทันใดนั่นเอง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 คงข้าคกรวนเพลงรักของมันอยู่วิเวกหวานชิ่นนั้นสิงสัตว์ตุระบาดและจักกระจันเรไรรอบด้านดูจะสงบงันเงียบเชียบไปหมดเหมือนจะเงียบสดับรำนำเพลงอ่อนซึ้งบทนั้นเจ้านกกระเวกผู้มีนามว่าแงซายขยินเกณฑ์คนออกไปตัดไม้เพื่อนำมาปลูกบ้านหลังใหญ่ให้แก่คณะเดินทางตั้งแต่ย่ำรุ่ง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 ที่ไม่เห็นคนใช้ชาวดงตามปกติแล้วแงซทายอยู่ยามตลอดคืนและมักจะเข้านอนในตอนกลางวันแต่มาเช้าวันนี้พลอยหายไปด้วยแล้วแงซทายไปไหนเห็นออกไปพร้อมกับพรานใหญ่ตั้งแต่หัวรุ่งผ่านเท่าต่อแล้วพินคงจะชวนออกไปด้วยกาะมังเชิดถาบ่ลยกับสหายของเขาแล้วก็ไม่ได้สักถามอะไรอีกสำหรับดารินตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้ น, นในเช้าวันนี้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 อยู่หรือไปก็คงรู้กันก่อนข้าวันนี้แหละหล่อนกระซิบกับแช่ถาและชายยันขณะที่เงยขึ้นปลายแขนเช็ดเหงื่อบนใบหน้าขณะนั้นเจ้ามุซิมส ง, งบไปได้อีกครั้งเกือบเที่ยงแล้วพินกับแง่ทรายก็โผลกลับเข้ามาขณะนั้นพวกชาวบ้านในความควบคุมของ ข, องขยินร่วมกับบุญคำกำลังระดมกันขุดหลุมเตรียมลงสาวเรือนเป็นที่เออกระเอคึกคัก รานใหญ่เข้าไปตัวดูลักษณะการเริ่มต้นปลูกสร้างเรือนใหญ่ทั้งนั้นสั่งงานอยู่ครู่ก็เข้ามาในกระโจมแง่าสายถือขันธนูอันใหญ่สูงเกือบท่วมหัวตามเข้ามาด้วยพร้อมกับไม้ผ่ที่เตรียมทำลูกซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยนักเชษฐาชัยยันรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วแต่บุคคลที่หันหลังให้ในทันทีที่ร่างของพรานใหญ่ก้าวเข้ามาก็คือดารินหล่อ น, นั่งเท้าควางอยู่ที่ม้ากลมเล็กๆ เ, เ, เบื้องหน้า ร่างอันนอนเหยียดยาวของคนเจ็บมองดูนางอั้วเอาผ้าขนุนผืนเล็กชุบน้ำผสมอะดรีโคนเช็ดตามใบหน้าและลำคอของเจ้ามุตามคำสั่งของหล่อนแล้วพิมพ์จำเรื่งไปอย่างร่างของน้องสาวนายจ้างแว บ, บหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจและสำเนีกได้ในความผิดปกตินั้นด้วยความรู้สึกใหม่ๆแปลกแปกลกหลอนฟ้องพี่ชายหรือเปล่าสำหรับเหตุการณ์ที่เขาเองก็ไม่คิดฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา คำถามที่เกิดในใจตัวเองข้อนี้ทำให้ับพินอึดอัดกระสับกระส่ายอย่างไรพิกลสังเกตไปยังอากับกิริยาของราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะเดินทางและชายยันเห็นเป็นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนดังเช่นที่หวาดระแวงก็ค่อยเบาใจขึ้นพบรองรอยอะไรบ้างอดีตท่านทูตทหารบกเอ่ยถามขึ้นในทันทีที่เขาย่อนตัวลงนั่งบนลังใบหนึ่งมีแต่รอยเกาที่มันลื้อผ่านทุ่งหญ้าหลังเขาครับแล้วก็ชายป่า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 คำพูดของชายยานทําให้แช่ถากับพระพินเฉลียวคิดขึ้นมาได้ผมก็ลืมคิดถึงข้อ น, นี้ไปเหมือนกันผ่านใหญ่พึ่มพําออกมาเบาๆมองดูแช่ฐากับชายยานแล้วยิ้มจิืดๆจริงอย่างคุณชายยานว่าครับเจ้าตัวที่เอาควายของเราไปกินและถูกยิงไปกับตัวที่เข้ามาอารวาสที่หมู่บ้านหล่มช้างนี่อาจเป็นคนละตัวกันก็ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องมีสองตัวคู่กันผายหลังนั่งคิดอยู่ครู่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 หลังจากนั้นเขาถือโอกาสอธิบายให้เชิฐาและชาัยยานันทราบถึงแผนการของแง่ทรายในอาวุธใหม่ที่จะใช้ปราบเจ้างูยักษ์ตัวนั้นทั้งสองทําท่าตื่นงงในครั้งแรกแต่ภายหลังจากการสอบซักแล้วเรพินอธิบายให้ทราบโดยละเอียดบุคคลที่ผ่านวิชาการทหารและชํานาญในด้านสัพทวุธอย่างดีมาแล้วอย่างเชิฐากับชัยยานันก็แทบจะลุกขึ้นเต้นด้วยความโสมนัสหรือที่จะกล่าวชายยันปรีเขาจับแขนพรานใหญ่เขย่าอีกมือหนึ่งตบหลังแง่ทรายเต็มรั พอคุณเอ้ยเด็ดอะไรอย่างนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าอะไรนะที่บรรดาที่แง่ า, ายเกิดความคิดใสแนวขึ้นมาได้แบบนี้สำเร็จแน่ไม่มีปัญหาสำหรับอาวุธชนิดใหม่ที่แง่ า, ายกับคุณช่วยกันคิดขึ้นมาได้นี่ชายยันร้องออกมาลั่นเต้นตาเป็นประกายหัวเราะล่ากล่าวสารเสรินชมเชยแง่ท า, ายไม่หยุดปาเชิดถ่าเองก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีแต่อันเนื่องมาจากความรอบคอบถี่ท้วนตามนิสยัย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 ใบหน้าเบิกบานแจม่มใสน้ำหนักของนโตที่จะมัดติดธนูมันไม่มากมายไรนะักและใช้ธนูใหญ่ขนาดนี้ลูกธนูจะต้องพาระเบิดไปได้อย่างสบายมันสำคัญอยู่ที่มือคนยิงและจังหวะเวลาระเบิดเท่านั้นว่าแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ขอคันธนูจากแงซายไปดูตัวขันเป็นลำไม้ไผ่แกล่งเหลาไว้ได้วยส่วนสั์งดงามและย่างไฟอย่างดีเต็มไปด้วยกาลังสปริงและเหนียวแน่นมั่นคงยิ่ง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 ธนูของแง่สายเป็นธนูขนาดหนักที่สุดและมีประสิทธิภาพยิ่งหัวหน้าคณะเงยหน้าขึ้นมองดูแง่สายด้วยตาเป็นประกายพึมพำออกมาแกนี่มันรอบตัวเลยนะแง่ทายฉันไม่นึกเลยว่าแกจะมีอะไรดีๆอยู่ในตัวถึงขนาดนี้เอาละ่ะรีบจัดการเสียเสร็จเรียบร้อยเย็นนี้เราจะลองกันดูเสียก่อนเพื่อแน่ใจที่สุดแล้วก็หันมาทางราพินกับชา ย, ยานบอกมาว่า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 หันไปส่งภาษาถามนางอั้วอยู่ครู่แล้วก็ผลักออกจากเต็นต์ไปแง่ท า, ายง่วนอยู่กับการทำลูกธนูอยู่ใต้ต้นไม้หางสําหรับตัดลมใช้หางนกเงือกขณะที่ระพินเข้ามาดูเขาเห็นเจ้าหนุ่มพระเนจรชาวโดงร่างยักษ์กำลังติดหัวอันทําด้วยโลหะมีเงี่ยงเป็นแฉกอยู่สองแฉกปลายแหลมคมเข้ากับปลายของลูกธนูที่ทําด้วยไม้ไผ่ตรงแนวพรานใหญ่ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจเล็กน้อยเมื่อมองเห็นหัวโลหะชนิดนั้น ก้มลงหยิบดอกหนึ่งที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาพิจารณาแล้วถามอย่างงงว่านี่แกไปเอาหัวเหล็กของลูกธนูมาจากไหนอดีตร้อยโทรองโจรกะเลียงหัวเราะ อ, อยู่ในรำคอตอบโดยไม่มองหน้าเขาว่าผมมีติดตัวมาด้วยสิทธิ์กัหัวครับผู้กองทำเสร็จเรียบร้อยไว้ก่อนแล้วตอนที่อยู่ในเมืองหัวธนูเหล่านี้มักจะติดตัวผมอยู่เสมอในเวลาเดินป่าเผื่อไว้สาหรับเวลาจาเป็น บางเวลาผมก็ไม่มีปืนใช้อืมแกนี้รอบค้อบ ม, มากนะจอมพรานแยกเขี่ยวคลางออกมาจับลูกธนูขึ้นช่างดอะอยู่ในมือหาน้ำหนักแล้วตั้งไว้บนนิ้วเพื่อหาจุดศูนย์ทวงเพียงแค่นั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าแง่ท า, ายเป็นมือชั้นจอมธนูขนาดไหนลูกธนูดอกนั้นและคงจะทุกดอกที่แง่ า, ายทำขึ้นได้สมดุลของมันอย่างที่สุดไม่มีปัญหาเมื่อมันถูกปล่อยออกจากแรง มันจะต้องทะยานเข้าหาเป้าหมายอย่างที่งตรงเท่าที่มือคนยิงจะอำนวยได้โดยไม่หันเหออกนอกลู่นอกทางไปเจ้าของธนูเองในขณะนี้ก็รอบจำเลืองมองดูรเพียนด้วยหางตาเมื่อเห็นผานใหญ่ตรวจสอบลูกธนูอย่างถี่ถ้วนอันแสดงถึงมีความชนานาญพอสมควรผู้กองลองยิงดูสิครับผานใหญ่สั่นหัวอย่าดีกว่าฉันไม่ใช่มือฉมังธนูหรอกอีกอย่างหนึ่งแกก็ไม่ได้มีหัวเหล็กมาเหลือเฟือนัก ลงยิงออกไปแล้วมันก็เสียเปล่าเก็บไว้ใช้ในเวลาจาเป็นดีกว่าว่าแล้วเขาก็เดาะลูกธนูขึ้นในมืออีกครั้งทดลองพุ่งเบาๆไปยังลำต้นตะแบกที่ห่างออกไปประมาณห้าหลาธนูดอกนั้นพุ่งไปปักลำต้นติดแค่ด้วยน้ำหนักหัวของมันเสียงดังฉับแล้วเพียยิ้มออกมาอย่างพอใจเดินเข้าไปถอนธนูออกฉันํานานเรื่องธนูซึกแกไม่ได้หรอกแง่ทรา ย, ายแต่ถ้าจะให้บอกถึงความเห็น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 นั่นเป็นรอยยิ้มเยาะแกนึกว่าฉันขี้ขาดจนถึงกับปล่อยให้แกยิงธนูติดในโตตามลำพังคนเดียวงั้นหรือแกรู้จักระพีนภัยวันมาแล้วแค่ไหนแง่าสายก้มศีรษะให้ลิมนฟีปากยังพายไปด้วยรอยยิ้มผมรู้จักผู้กองมาพอดีทีเดียวครับทั้งที่เห็นด้วยตาและทั้งกิติศัพท์และขอสาบานว่าไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นอะไรผู้กองเลย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 ทั้งสองทดลองเวลาของสายชนวนจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็ติดเข้ากับระเบิดไม่ใช่งานที่ลาบากยากเย็นอะไรสักนิดสําหรับผู้ชํานาญแต่จะอย่างไรก็ตามต้องอาศัยความรอบครอบระมัดระวังอย่างเข้มงวดที่สุดการเล่นกับระเบิดก็คือการเล่นกับงูห่าเราดีๆนี่เองประมาทเผลอเพียงมินิทีเดียวมันอาจหมายถึงชีวิตเชิดถาคอยนั่งควบคุมและแนะนําอยู่ใกล้ๆไม่นานนักระเบิดในโตจํานวนสิบลูก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 ดีเหมือนกันปลูกเสร็จจะได้พับเต็นเก็บขนข้าขนของขึ้นมาอยู่บนเรือนเสียทีเออผมเห็นจะต้องอยู่บ้านหลังนี้จนกว่าขาจะหายสนิททีเดียวเช่ถาครางออกมาแล้วโครงศีรษะช้าๆรูปําขาข้างที่พิการชั่วคราวของตนเองอยู่ไปมาอย่างอึดอัดใจที่นี่แหล่งน้ําอยู่ไกลไหมพวกนี้เอาน้ําที่ไหนใช้ใชยันถามเรื่องน้ําที่นี่อุดมสมบูรณ์มากครับท้ายบ้านมีทาน้ําตกอยู่แห่งหนึ่ง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 หม่อมราชวงศ์คนสวยผู้นอนไม่ค่อยจะหลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เบ็ด ป, ปากจะเป็นช่างรับเหมาหรือสถาปนิกคนใดก็ตามฝีมือสุดตึกมากที่ออกแปนบ้านดูแลเหมือนโรงหนังตลุงหลังนี้จะสร้างให้เหมือนโรงนิ้วหน่อยก็ไม่ได้เก๋กว่าต้องเป็นกองพูดลอยๆให้เข้าหูดังนั้นแล้วก็ผ่าออกเดินห่างออกไปยืนดูแง่ทายเหลาลูกถนูอยู่ทางหนึ่งเสียแล้วผินภัยวันกระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นชายยันจุ๊ ป, ป่ากล้านบนพรรมัม ให้ตายเถอะไอ้เด็กนี่ปากยิ่งกว่าตะไคร์โรงพยาบาลตั้งแต่เช้ามาแล้วไม่เห็นก็อย่าพูดอะไรเลยวันนี้พออ้าปากออกมาทีก็ได้เรื่องเลยอย่าไปเอาเป็นอารมณ์เลยนะผู้กองเจนนิสัยกันมาดีแล้วไม่ใช่เลยพรานใหญ่ ย, ยิ้มแห้งๆก็ถูกของเธอเหมือนกันแหละครับที่ว่ามองดูเหมือนโรงหนังตลุงอุตส่าห์ให้เกียรติว่าเป็นโรงหนังตลุงน่ะดีแล้วดีที่เธอไม่ว่าเพลิงหมาแงนซึ่งผมก็ไม่มีทางจะเถียงได้เลย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 แลดูเป็นมันระยับประหนึ่งอาบไว้ด้วยทองหยิบ ด, ดอกธนูสำหรับใช้ทดลองทิศทางดอกหนึ่งหัวไม่ได้หุ้มโลหะเพียงแต่เสี้ยมปลายแหลมและลนไฟไว้จนแก่งขึ้นผ้าสายสายตาอันคมเฉียบสุกใสจับจ้องไปยังมะค่าต้นหนึ่งขนาดสองคนโอบซึ่งยืนต้นหยุดยังชายเนินฟ้าตรงข้ามระยะห่างลงไปประมาณ60สบลาที่กลางลำต้นปรากฏเป็นโพรงใหญ่อันมองห็นอย่างถนัด แง่สายจะยิงไปที่โพรงมะข่าต้นนั้นคนใช้ชาวโด่งของคณะเดินทางประกาศขึ้นเชื่อถาผู้ยืนอยู่ในระหว่างขนาบของน้องสาและเพื่อนก็โบกมือเป็นสัญญาณร้องบอกมายิงแง่สายทุกคนเห็นนักพเนจรชาวโดงผู้ลึกลับยกธนูขึ้นสวงอกอันกว้างใหญ่ยืดขยายขึ้นเต็มที่เหมือนจะอัดลมหายใจเข้าปอดจนเอวกิ่วเล็กนิดเดียวมัดกรามจากลาแขนทั้งสองผุดขึ้นเป็นมัดมัด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 เขายินพึนพมพำอะไรออกมาในลําคอฟังไม่ได้สับพวกลูกบ้านทุกคนส่งเสียงแ จ, จ๊กแจขึ้นเชิฐากับชา ย, ยานดีดมือแรงๆอย่างพึงพอใจสุดขีดแม้ดาริงผู้ไม่มีใครเห็นรลอนยิ้มเลยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาก็ปรากฏรอยยิ้มชื่นชมออกมาตาทั้งคู่เป็นประกายตบมือเบาๆร้องออกมาเสียงหวานใสเก่งมากแงซา ย, ายเธอทําให้ฉันชื่นใจเหลือเกินระพินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนมองดูอยู่อย่างสงบ อย่างไรก็ตามแสงแห่งความพอใจในเชื่อมัน่นปรากฏในแววตาของเขาขณะที่มองนิ่งไปยังเจ้าคนดงคูบปรับขยินเสยะยิ้มพูดมาอย่างไม่ยอมแพ้ ง, ง่ายๆตามสัญดานคนขี้คุยเจ้าหยิงธนูได้ดีก็จริงแงซายแต่สู้หน้าไม้อาบย่างน่องของข้าไม่ได้หรอกดารินอดขวางเจ้านักเริงดอยจำโมอยู่ไม่ได้ก็เอาธนูดอกหนึ่งที่ถืออยู่ในมือของรอนเคาะไปที่ไหลของขยินแล้วบอกว่า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 ก้าเข้ามาหยุดยืนเคียงอยู่ทางด้านซ้ายของแงส า, ายผู้รอคอยอยู่พร้อมแล้วตาต่อตาศพกันนิ่งเอาละแงส า, ายทีนี้ก็ถึงของจริงแล้วเมื่อแกเอาธนูขึ้นผ้าสายรอคอยฟังสัญ ญ, ญาณจากชั้นให้ดีเมื่อชั้นสั่งให้ยิงแกก็เหนี่ยวสายปล่อยธนูออกไปทันทีริมฝีปากคุณนั้นสยายกว้างออกผมจะฟังสัญ ญ, ญาณจากผู้กองแล้วีส่งดอกธนูให้แล้วจุดบุหรี่สูบอัดควันหนักน่วง หันไปมองดูคณะนายจ้างของเขาทางเบื้องหลังเห็นทั้งสามเคลื่อนเข้าหาโคดหินใหญ่ยึดเป็นที่กำบังคงมีแต่ขยินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนกระเล้กระล่าอยู่อย่างไม่ประสีภาษานึกจะเตือนให้เข้าหาที่หลบแต่แล้วก็ยิ้มออกมาเมื่อคิดว่าควรจะให้เจ้าขายินรู้ลิบเดชธนูสายฟ้าของแม่มดดารินเอาเองพระรามแง่ทา ย, ายก็คว้าสอนผมม้าขึ้นผ้าสายอย่างระมัดระวังจับตานิ่งไปอย่างเป้าหมาย อันเป็นโพรงมค่าที่เดิมพร้อมแล้วยังพร้อมครับระวังปลายบุหรี่ติดไฟของรพินก็แตะหมับเข้าที่ธนวนอันไวไฟยิงเขาตะโกนสุดเสียงแง่าสายสุดรมหายใจเขาเต็มปอดเหนี่ยวสายธนูสุดน้าแล้วปล่อยปื้บออกไปทันทีที่ลูกธนูทยานหลุดออกไปจากแหล่งบิ่งตัดอากาศเขาหาเป้าหมาย ทั้งแง่สายและพินก็ซุดตัวลงนั่งพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดกันไว้ลูกธนูเล่นเข้าหาที่หมายของมันยังไม่มีการข้าดเคลื่อนคันแล้วช่วงอึดใจนั่นเองกัมปนาสเถือนเรื่อนรัน่นก็สถาร้อนขึ้นขึ้นตามแม่ น, น้ำผาสที่ทุกคนอยู่ในขณะนี้จะพลิกคว่ำถล่มทลายลงขยินเป็นผู้เดียวที่ยืนเซ้อซ่าอยู่ล้มกระแท่ก้นจ้่งเ้าลงกับพื้นรู้สึกเหมือนถูกธรณีสูบ ภาพที่เห็นเปลวไฟแรบว่าขึ้นที่โพรงกลางลำต้นของมะค่าใหญ่อันเป็นเป้าหมายแล้วยาไม้ก็ถึงการพินาศคาสบันเนกริตตาสมจริงตามที่ดารินพูดคู่ขยินไว้มันราวกับว่าสายอสศมีบาท์ฟาลงมาเช่นนั้นลำต้น่านบนค้นกรีโนมาพร้อมกับม่านควันอันหนาทึบและประกายไฟที่แรบรุกติดขึ้นยังตำแหน่งรอยที่ถูกตัดขาด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 มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่คณะนายจ้างพากันออกมาจากที่กำบังได้ผลร้อเปอร์เซ็นเต็มเราได้สอนพรมมาดของพระรามไว้ใช้แล้วชายยันร้องออกมาอย่างรินโลดปีเข้ามารูปหน้ารูปหลั ง, งแง่ทรายอย่างตื่นเต้นดีใจเหลือขนาดราชส ก, กุลสองพี่น้องก็เต็มไปด้วยความสมหวังปลื้มปิติเชฐถาส่งมือมาให้เจ้าของธนูจับแล้วบีบเขย่าโดยแรงวิเศษมากแง่ทรายธนูของแก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 นับภาษาอะไรกับหนังวัวที่มีอยู่เกลื่อนกาดในหมู่บ้านของเจ้าข้าจะเสกให้เข้าไปอยู่ในท้องใครก็ได้ถ้าข้าไม่พอใจขึ้นมานายหญิงคงไม่เสกหนังวัวให้เข้าไปอยู่ในท้องของขยินเจ้านักเลงโตชาวดงทำปากขมุบขมิดเชี่ยงถากับชายยานแทบจะปล่อยก้าวออกมาต้องรีบหันหน้าไปกั้นหัวรถทางอื่นแต่แม่คนสวยยังวางหน้าอย่างสนิทข้าไม่ใช่คนใจร้ายทีิวใช้เวทมนตร์ทำอันตรายใครโดยไม่มีเหตุผลหรอก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 หัร่างของนักเรียนชาวดอยหายหังออกไปชายยันผู้ ก, กั้นไว้นานแล้วก็ปล่อยก า, กากออกมางอหายน้อยบทบาทแม่มดของเธอยอดเยี่ยมมากเล่นเอาเจ้าขยิดนั้นกลัวรานไปเลยเด็ดแท้เออแนะ่นึกไม่ถึงว่าจะแสดงได้ถึงบทแบบนี้เพื่อนชายพูดพางหัวเราะพางดารินหันมาพูดสะบัดสบัดก็ทุกคนต้องการให้ฉันเป็นแม่มดไม่ใช่เหรือทำหัวเราะ ด, ดีไปเถอะเดี๋ยวก็สาบเสียให้ขากันไก่ค้างหุบไม่ลงอยู่นั่นเอง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 จะไม่คิดไม่นึกอะไรอีกแล้วทำไมนะเมื่อค่ำที่แล้วคนกักกะสามหาวหลบหน้าไปอยู่เสียที่ไหนเหตุใดจึงไม่มาจินข้าวเย็นในเต็นท์อะไรชนิดหนึ่งกลางก้นสมุดของหัวใจไม่ไวหยลาพึงบ้าจริงสั่งไว้แล้วยังไงแล้วว่าไม่ต้องถามจะหายหน้าไปไหนก็ช่างไม่โผล่กัดไม้เห็นอีกเสียเลยก็ยิ่งดีสาหรับคนสามหาวคนนั้น อะไรอีกชนิดหนึ่งเรียวกระต้อต่อไปสองแก้มร้อนเผาไปด้วยสายเลือดเที่ยงคืนแล้วดาดินวราลทิตยังไม่ดับหญิงสาวพลิกตัวนอนงายตอนใจยาวอย่างรำคาญตัวเองทันใดโสดก็แววเสียงคนพูดกันพึมพำอยู่หน้าเต็นต์หลอนเปิดเปิือกตาขึ้นมองฝ่ามุ้งสนามออกไปด้วยความชงน จากแสงไฟก่องใหญ่ที่ก่อไว้เป็นประจำทุกคืนหน้าเต็นท์เงาของคนสองคนปรากฏเป็นภาพอยู่ที่ประตูกระจมเงาหนึ่งสูงใหญ่จำลักษณะได้ว่าเป็นแง่ทายส่วนอีกเงาหนึ่งเดาม่ถูกหล่อนคงนอนสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นแต่งเงี่ยบจับเสียงซึ่งฟังไม่ถนัดนักต่อมาก็เห็นแง่ทายโผล่เข้ามาในเต็นท์มองมาอย่างเตียงของหล่อนแล้วกวาดมองไปรอบๆเหมือนจะหาอะไรสักอย่างหนึ่ง ชั่วอึดใจก็ปลุกกลับออกไปอีกนายหญิงหลับไปตั้งนานแล้วฉันไม่กล้าปลุกหลอกลุงคํามีเสียงสะบทุ่มผามดังมาจากผู้ที่พูดอยู่กับคนใช้ชาวโดวงของหล่อนในขณะนี้แล้วก็ได้ยินเสียงที่จําได้ว่าเป็นบุญคําผ่านเท่านายหญิงหลับเอ็งก็ช่วยขโมยายาให้ทีเถอะวะแง่ซา ย, ายเอง็งต้องรู้ดีว่านายหญิงเก็บยาไว้ที่ไหนฉันหยิบให้ไม่ได้หลอกลุงฉันไม่ใช่หมอไม่รู้จักยา เดี๋ยวหยิบผิดไปให้ไปก็ยุ่มขนใหญ่เท่านั้นเสียงบุญคําจุ๊ปากจิกๆักยืนกระสับกระส่ายอยู่หน้าประตูเต็นตายโหงแล้วจะทํายังไงดีละวะเอ็งไม่กล้าปลุกนายหญิงตรงๆก็ย่องเข้าไปเตะไอ้มุเขาสักป้าผอวะพอไอ้มุมันร้องขึ้นนายหญิงท่านก็ตื่นขึ้นมาเองแหละแต่ผ่านเท่าแห่งขาอุมครึมแนะนําโธ่ลุงคําพูดเป็นบ้าไปได้ไม่เห็นเลย นางอ้วนมันนอนเฝ้าผัวมันแจไม่ยอมห่างอย่างนั้นลองฉันไปเตะผัวมันเข้าอย่างลุงว่าสิมันไม่เอามีดควานใสฉันขาดไปหรือเออแน่ยุดีแล้วนี่ล่ะลุงเก่งจริงลุงไปเตะไอ้โมเองดีกว่าฉันไม่ีกล้าหรอกกลัวนางอ้วนมันเอาตายนั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ามันจะต้องฟ้องนายหญิงด้วยคราวนี้ฉันก็เลยยาหมาดาลินพอจะจับเสียงพูดซุบซิบโต้เถียงกันอยู่หน้าเต็นได้เหลาเหาลุกขึ้นเปิดมุ้งออกมา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 อือใจเดียวบุญคําก็โผล่หน้าเลี้ยยเข้ามาย่องตัวรีบเข้ า, ายิ้มแย่แย่อ๋อนายหญิงตื่นพอดีถ้าไม่ตื่นจ้มูก ข, ของฉันก็คงจะถูกบุญคํารังแกเอาเพื่ออาศัยเสียงร้องของมันให้ไปปลุกฉันอีกทีก็เลยรีบตื่นดักหน้าซิก่อนโอ้พระพุทธโธผมเปล่าฮะบุญคําร้องทำหน้าม้อยหลบตาหัวเราะแหะแหะแก้เกอ้อดาลินโครงศีรษะช้า ช, าชา้ชามองดุตผานเท่าอย่างกึ่งขันกึ่งฉิวชีนะ้หน้า ใจร้ายนักนะเราจับได้คานางพาเขาทีเดียวคิดจะรังแกแม้กระทั่งคนเจ็บจะตายอยู่แล้วเพียงแค่จะเอาประโยชน์ของตัวเองตัวไม่ลงมือก็ยังยุคคนดีๆเขาเสียอีกเอาหรือฉันจะให้แง่ทรายบอกนางอ้วว่าบุญคำยุให้เขายัางไงแฮ้ผมพูดเล่นนะครับนายหญิงอย่าบอกนางอ้วเดี๋ยวมันฆ่าบุญคำหล่อนคอนให้อดหัวเราะออกมาไม่ได้ออทีอย่างนี้เรารู้จักกลัวใช่สินางอ้วมันเล่นงานบุญคำตายแน่ ถ้ามารู้ว่าบุญคาวางแผนยุ่งแงสทรายยังไงสั่งไว้หลายครั้งแล้วว่ามีธุระอะไรจําเป็นก็ให้ปลูกได้เมายืนจดจ้อ ง, องวางแผนอยู่ได้มันน่าเขี้ยนนะักอ้าวฉันตื่นแล้วมีอะไรก็ว่ามาได้ยินแว้ะเรื่องอยู่เรื่องยาใครเป็นอะไรหรือแต่ผ่านเท่าจอมกระล่อนยืนอึอกอักยิ้มแห้งๆอยู่พักพอหล่อนถามซ้ํามาก็บอกอ้อมแอมว่าผมจะมาขอยาแก้ไขในหญิงครับในแพทย์สาวขามวดคิ้วถามมาเสียงหนักๆ ฉันถามว่าใครเป็นอะไรจะมาขอยานะ่ะรู้แล้วบุญคําทำหน้าพิกลเอามือรูปหัวอันมีเส้นผมหยิกย้อยติดหนังศีรษะแล้วบอกตะกุกตะกักง่าไอ้เสยครับมันเป็นไข้จับสันนอนตัวสันอยู่ยาของพานใหญ่ที่ติดมาด้วยก็หมดแล้วพานใหญ่ใช้ให้ผมมาขอนายหญิงเสยเป็นไข้จับสันหลอนทวนคาหัวคิ้วยังคงขมวดอยู่เช่นนั้นจ้องตาบุญคาเป๋งครับ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 นึกแล้วมีพิรุษอยู่นี่นะหล่อนพูดขณะที่หัวเราะหึหึมองดูร่างที่ขดตัวสั่นเทาอยู่มีกระสอบปานหลายผืนคุมทับตัวแทนพระหมกองฝ่ายกอดร้อมไว้รอบด้านใบหน้านั้นขาวซีดคางสั่นกระทบกันกึกกึกดวงตาทั้งคู่ปิดลักษณะถูกพิษไข้เล่นงานจนแทบไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่บุญคาผู้ยืนตัวรีบหน้าแย่อยู่ก็ร่อนนักนะลาบุญคา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 นักเรียนนายทหารจากสาประเทศชั้งแสนทุเรศอนาถาศีนิกรายเหมือนเหมือนกับพวกชาวป่าชาวดอยที่เกิดมาไม่เคยพบเห็นความเจริญมาก่อนเลยอยากจะหัวเราะออกมาให้ดังที่สุดเมื่อได้ยินเสียงคลางหืด้วยความหนาวสถานจับใจจากร่างที่นอนไม่ได้สติอยู่นั้นแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถึงหัวเราะคนจับไข้สันอยู่ในขณะนี้ก็คงไม่ได้ยินดีแล้ว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 ในเมื่อคนไข้เองก็ไม่ต้องการให้ช่วยโท่นายหญิงครับในไหนนายหญิงก็ออกมาเห็นกับตาแล้วฉันเจตนาจะออกมาดูเซย์นะไม่ได้ออกมาดูใครอื่นทั้งสิ้นหล่อนผู้เสียงแข็งโท่ไม่ต้องมาโท่ดีนะทั้งบ่าวทั้งนายนั่นแหละเราเองเป็นหมอเก่งอยู่ไม่ใช่หรือพวกยาหมูสมุนไพรเคี่ยว ง, งาสัตว์อะไรนั่นยังไงล่ะทําไมไม่ช่วยเจ้านายของตัวปล่อยสารพัดๆเป็นเจ้าเข้าอยู่ทําไม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 หงายหลังแผะลงนั่งจำเบ้ากับพื้นแพรสาวหัวเราะ อ, อยู่ในลาคอกล่าวต่อมาเป็นงานเป็นกายขึ้นว่าไปที่เต็นต์บอกให้แง่าสายหยิบกระเป๋าหนังลูกเล็กที่ปลายตีนเตียงชั้นแล้วเอาไมาใ้ชั้นที่มีทั้งหีบนั่นแหละไปหกล้มไม่ต้องลุกคืนชักช้าเจ้านายตายไม่รู้ด้วยยังไม่ทันจะขาดเสียงบุญคําก็พูดพาดลุกขึ้นห่อแนบตรงไปยังกระโจมปากของนายจ้างราวกับติดปีกราชสกุลสาวปิดปากหัวเราะเบาๆพอรับกายตะ่านเท่า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 เปลี่ยนแปลงไปในบัตรโดนถอดถุงมือหนังออกอ่างที่หน้าผากและซอกคอไดเร็วแล้วอุทานออกมาเบาๆร่างนั้นร้อนผ่าวราวกับไฟหญิงสาวากาศริมฝีปากหัวคิ้วขมวดก็าหากันเล็กน้อยอาการของ พ, าพรานไพรใจสากาัดของหลอนมากมายเกินกว่าที่หลอนคิดเสียแล้วหลอนรู้สาเหตุแล้วทําไมเขาจึงไม่ได้ไปด้วมอาหารเย็นหรือโผลเข้าไปให้พบเห็นเมื่อตอนหัวค่ํานี้คงจะเป็นเพราะเริ่มจับไข้ตั้งแต่เย็นที่แล้วมานี้เอง ช่างใจกระด้างอำมหิตเสีลเกินคนคนนี้หล่อนบอกกับตัวเองนับภาษาจะให้อ่อนโยนการุนกับใครที่ไหนเลยดูหรือขนาดตัวเองแท้ๆยังไม่คิดที่จะปราณีตนเองเจ็บไข้ไม่สบายทรมานอยู่ขนาดนี้ก็ยังไม่ยอมปรี่ปากบอกให้รู้สำยังเจตนาจะปกปิดอำพราเสียอีกด้วยทำไมนะคนใจร้ายกลัวว่าจะรู้จุดอ่อนอยางงั้นหรือ แบบนี้ปล่อยให้ตายเสียแหละถึงจะสมร่างที่ห่อตัวนอนตะแคงสั่นสะท้านอยู่นั้นหดงอ่องอขิงเข้ามาอีกจนเข่าแทบจะติดคางและทันใดนั้นก็พูดอะไรลั่นออกมามือทั้งสองสะบัดเปะปะกระทบฝ่ามือของดอนที่อังซ่อคออยู่เชยออกไปโดยแรงทั้งทั้งที่ตายังปิดไปเอะแสงโสมไปตามหนทางที่เธอเลือกไว้แล้วมารยไว้ด้วยกลีบกุราบไม่ใช่ร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 เงื้อพูดซึมเต็มใบหน้าอันขาวซีดเปลือกตาที่ปิดอยู่นั้นเต้นริกหม่อมราชวงศ์สาวเล้อคิ้วน้อ ย, อยเอียงคอคอยจับคําพูดใดๆก็ตามที่จะออกมาจากจิตไร้สํานึกของคนที่หมดสติเพราะพิษคข้อีกรอยยิ้มบางๆชนิดหนึ่งผุดขึ้นที่ริมฝีปากประกายตาอ่อนโยนรงคนค่าไม่พูดเป็นประโยคได้ใจความใดๆให้รอนจับได้อีกนอกจากครั้งหนึ่งเขาร้องเรียกบุญคขำด้วยน้ําเสียงอันตื่นเต้น คล้ายๆจะบงการอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาบุญคำหิ้วกระเป๋าเครื่องเวชภัณฑ์แล่นอ้าวกับเข้ามาอย่างรีบร้อนไม่ได้มาคนเดียวมีแง่ท า, ายติดหลังมาด้วยดาลินเปลี่ยนสีหน้าเป็นมึนตึงเช่นเดิมคว้าเข็มฉีดยาขึ้นมาดูดยาออกจากหลอดออกคําสั่งสั้นๆให้บุญคำจับตัวคนไข้ไว้พรานเท้ากล่าเข้ามาทําตามคําสั่งของหล่อนแต่ปรากฏว่ารัพินพลิกดิ้นสะบัดอย่างรุนแรงเหมือนคนที่ตกอยู่ในห่วงฝันร้าย พร้อมกับเสียงคำรามรั่นทําอบุญคําหัวขมาไปไม่สามารถจะกดให้อยู่นิ่งเฉยได้ทั้งๆที่พยายามปล้ำอย่างสุดกําลังร้องบอกให้แง่ทายช่วยอีกคนคนใช้ชาวดงร่างยากจึงเข้าช่วยรวบร่างอันดิ้นโดนกระสับกระส่ายร้อนรุ่มของพรานใหญ่สนิทนิ่งลงได้ระวังให้ดีนะจับให้แน่นอย่าให้ดิ้นได้ในขณะที่ฉันเดินยาหล่อนสร้างตําๆอึดใจหลังจากนั้นหล่อนก็ฉีดยาเสร็จแง่ท า, ายกับบุญคําก็ปล่อยตัวออก พระพินสะบัดกายกระสับกระซายอยู่ภักหนึ่งก็ค่อยสงบลงไปบุญคามหน้าจ่อยไปถนัดจัดแจงเอากสอบป่านหลายผืนที่ใช้แทนพระห่มมาคลุมตัวเจ้านายแล้วนั่งชันข่าวอยู่ใกล้กลกลเกิดเซยจานได้นายเมยผู้นอนหลับอยู่ตื่นขึ้นเพราะเสียงชุรมูลขณะที่แงทรายกับบุญคามช่วยกันจับพระพินพากันตรงเข้ามาห้อมร้อมกลับไปนอนสิเถอหล่อนพูดกับคนเหล่านั้นเรียบเรียบเขาไม่เป็นอะไรมากทั้หรอกประเดี๋ยวก็ค่อยยังชั่ว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 ผู้รักในการขับเพลงยามพิการก็แวัลสำเนียงเพลงของมันลอยลมเข้ามาให้ได้ยินอีกผสมผสานไปกับเสียงหยอกเอื่นใบพลกและสามเสียงเลไรดงไม่เพียงแต่ใครคนหนึ่งที่นอนลืมตาสายจับเพดานมุ้งอยู่ในกระโจมเท่านั้นใครอีกคนหนึ่งซึ่งบัดนี้สั่งจากพิษไข้แล้วคงเหลือแต่ความอ่อนเพลียและเหี่ยโหยก็นอนมองดูพระจันทร์ที่กาลังรอยคว้างกลางม่านเมฆ ปรากฏเงาดำรอดทอดกิ่งไม้ทอดแสงลำยองลงมาสองหน้าปล่อยใจให้เรื่อนรอยไปกับกระแสเพลงแห่งราตรีนั้นดุดกันเขาต้มร้อนส่งควันกรุนชามวางอยู่ ใ, ใกล้ๆตัวบุญคำเป็นคนยกเข้ามาตั้งให้เตือนให้กินแต่เขาก็ยังไม่เอาใจใส่จนกระทั่งแววฝีเท้าแผ่วเบาเคลื่อนเข้ามาหยุดอยู่ ใ, ใกล้ๆพอเหลือบตาก็แลเห็นสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง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 ลูกจ้างก็ขัดขืนไม่ได้กินเสียนี่เป็นคําสั่งแล้วคนออกคําสั่งก็หย่อนกายลงนั่งคุมอยู่ตรงหน้าจ้องนิ่งบังคับมาอีกฝ่ายเอื้อมืออันสั่นเทาไปลากชามก็ต้มมาตรงหน้าปฏิบัติตามบัญชาอย่างว่าง่ายโดยไม่ปิดปากคาใดออกมาอีกภายหลังจากฝืนกินเข้าไปได้ครึ่งชามเขาก็วางช้อนมีอาการผออืออ่นผื่นอมหล่อนดาะยาเม็ดอยู่ในมือเป็นจังหวะรอคอยอยู่ก่อนแล้ว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 ผมเคยนึกภาวนาเสียงแหบแหบของเขาผ่านลำคอออกมาในลักษณะรำพึงเปลี่ยนสายตาจากินหน้าร่อนไปยังราวป่าอันสลัวรางอยู่ภายใต้สกาวจันขอให้แง่ทรายจงปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหญิงคำสั่งอะไรยิงลูกธนูติดระเบิดในโตให้มันตกลงใกล้เคียงกับผมดาลินหยิบกิ่งไม้เล็กๆเขียกองไฟอย่างปราจากความหมายใช่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 ทำให้คุณพิจารณาฉันอย่างนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่โดยแท้จริงแล้วฉันไม่ได้มีเจตนาเลยขอให้รู้ไว้เสียด้วยว่าฉันพาภูมิและปราบปื้นใจแทนให้แก่สุภาพสตรีชราคนหนึ่งที่มีลูกชายเกาะไปด้วยเรือ ก, กระตันยูสูงน่าสรรเสริญอย่างคุณคนอย่างคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกผมไม่ได้บังอาจพิจารณาคุณหญิงอย่างใดทั้งสิ้นเสียงแผ่วเบานั้นกล่าวต่อมาพร้อมกับรอยยิ้มเศร้าๆ ผมเข้าใจฐานะความเป็นลูกจ้างของผมดีเข้าใจในราคาค่าจ้างที่ได้รับมาแล้วและเข้าใจในหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติชดเชยตำเงื่อนไขหยุดผู้เสิยทีไม่อยากฟังดาดินร้องยกมือขึ้นอุดถูเขาเงียบหล่อนนั่งเอามือเท้าข้างกัดเล็บขอบตาแดงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ระพินไพรวันมองเห็นเงาของน้าตาจากนายจ้างสาวแสนสวยคู่ปรับมันทาให้เกิดความงงงันพิศวง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 เห็นตัวเองนอนหนาวสั่นห่มผ้าดำราวกับผ้าคีริ้วผืนเท่ากับแบกมือก็เลยสงสัยถามดูพอรู้ว่าเอาไปให้เจ้าขยินเสร็จแล้วใครบ้างจะไม่โมโหแล้วนี่เห็นไหมล่ะจับไข้สั่นงักงักแทบตายตัวเองต้องมาห่มกระสอบทุเรศแค่ไหนบ้างผมยอมรับสารภาพผิดทั้งหมดก็แค่นี้เองเมื่อคืนนี้พูดดีๆซะอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องรู้จักยอมรับผิดเสียบ้างอย่างนี้ก็ดีแล้ว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 ถึงรู้ตัวก็ไม่รู้จะช่วยตัวเองอะไรได้ชีวิตมนุษย์มีจุดจบของมันอยู่แล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้หนทางชีวิตมันกาหนดไว้อย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นชำเลืองค้อนนิดหนึ่งอย่างอดที่จะขวางไม่ได้แต่อีกฝ่ายคงไม่เห็นเพราะหมวก้มหน้าอยู่อ๋อนี่เป็นคนประเภทเชื่อดวงนั้นหรืออะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดคราบคุณหญิงผมเชื่อเช่นนี้จะพาดพิงไปถึงดวงที่คุณหญิงว่าด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบ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 แล้วทำไมถึงปล่อยตัวแบบนี้คุณเป็นอะไรไปก่อนเวลาอันควรถ้าจะพึ่งใครตาคู่นั้นปรากฏแววเสื่องซึมขึ้นให้รอนเห็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พบเห็นกันมาแหลขึ้นศบตาแววสลดเศร้าคลองไปตลอดทั้งสีหน้าจนทำให้สุดสมเพศผมเองก็คิดอยู่ในข้อนี้เหมือนกันแต่จะทำยังไงได้หน้าที่การงานอาชีพมันบีบบังคับอยู่ผมทาได้ดีที่สุดก็เพียงแค่นี้เอง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 ไม่สบายทำไมถึงต้องปิดไม่ต้องการให้ฉันรู้ด้วยถึงกับกำชับสั่งบุญคำไว้กลัวว่าฉันจะรักษาคุณทำให้เป็นบุญคุณติดต่อหรือว่ากลัวจะเสียศักดิ์ศรีผานใหญ่มนุษย์เหล็กทำให้ฉันได้ทีเห็นจุดอ่อนของตัวกันนั้นหรือรระพินสารศีษะมองตอบหล่อนด้วยดวงตาสุดจริตเปิดเผยไม่ใช่เช่นนั้นหรอกครับแล้วยังไงคนิ่งไปครู่ก็ถอนใจอีกครั้ง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 ใบหน้าอันซีเขียวคล้ำมองของอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มปรากฏสีเลือดขึ้นความอบอุ่นซ่านซึมไปตลอดทั้งหัวใจขับไล่ความหนาวเหน็บสถานสวงให้สบายไปอย่างน่าพิศวงเสียงเพลงจากแง่สายยังคงแววหวานเยือกเย็นกล่อมราตรีอยู่เช่นนั้นแทรกซึมไปทั่วทุกอนุของบรรยากาศครั้นแล้วรพินพายวันก็ตาตกลงดูพื้นอย่างเจียมใจาชสะกุลสาลุกขึ้นจากที่ช้ า, ชา บอกมาด้วยน้ำเสียงเนียนนุ่มเดิมว่าฉันออกมาดูอาการของคุณว่าดีขึ้นแล้วหรือยังข้ อ, อยังชั่วอย่างนี้ก็ดีแล้วนอนพักเสิรเถอะประเดี๋ยวจะให้แง่ทรายเอาผ้ห่มมาให้อีกถือหนึ่งหวังว่าคงจะไม่เอาไปทําเป็นเครื่องราชบรรณาการให้ใครแล้วตัวเองต้องมาห่มกระสอบอีกนะรัพินยานกายลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหญิงสาวกําลังจะพะออกเดินหันกลับมาเลิกคิ้วอ้าวบอกให้นอนลุกขึ้นมาทําไมผมจะไปส่งคุณหญิง คนไข่ไม่ต้องไปส่งหมอหรอกผมเป็นปกติเรียบร้อยดีแล้วนี่จะออกท่าอวดดีขัดคำสั่งอีกแล้วเลยแล้วพินพายมือกว้างออกไปแล้วทิ้งลงข้างตัวซุดลงตามเดิมอย่างจำนวนดาดินยิ้มรื่นดีมากขอให้หน้าเอนดูอย่างนี้ตลอดไป น, นะอ้าวแล้วจะนั่งทำหน้ายุ่งอย่างนี้ทำไมกล้านอนซิสสิถึงนอนก็นอนไม่หลับ น่าจะหลับได้อย่างสบายแล้เป็นสุขที่สุดแง่ซ า, ายร้องเพลงก่อนไม่ฟังอยู่นั่นถ้าจะไม่หลับก็ไม่หลับเพราะเสียงเพลงของเจ้าองค์คาร์คนโปรดของคุณหญิงนั่นแหละทำไมนี่มีจิตใจกระด้างเสีย จ, จนกระทั่งไม่ชอบเสียงเพลงเชลซแง่ท า, ายออกร้องเพลงเพราะใช่เจ้า ก, กาลเวกเสียงหวานนั่นร้องเพลงได้เพราะมากแต่ความหมายของมันทาให้หลับไม่ลง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 ดาลินวราลิทยืนตะลึงใบหน้าเป็นสีชมพูอึดใจต่อมาหล่อนก็ผ่าเดินจากไปเรือนพักของคณะเดินทางซึ่งเกณฑ์แรงงานทั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นเรียบร้อยขนย้ายเข้าของขึ้นอยู่ได้เมื่อเวลาเที่ยงมันใหญ่โตกว้างขวางเอาการทีเดียวลักษณะรูปร่างผิดไปจากเรือนเกะเลียงทั้งหลายมีห้องมิคิสสำหรับคณะนายจ้างสองห้องแยกห้องน้าไปอีกห้องหนึ่งเป็นพิเศษ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 กว่าสายตาไปรอบๆเรือนด้วยความชื่นชมตั้งแต่เช้าก็เห็นพรานใหญ่เพียงครู่เดียวเท่านั้นเป็นการเห็นการผ่าดผ่าดในระยะห่างขณะนั้นระพินกำลังคุมพวกสร้างบ้านให้มุงหลังคาอยู่หันมายิ้มให้เมื่อเขาตะโกนทักแล้วก็ออกเดินหายไปพร้อมกับขยินจนกระทั่งเที่ยงก็ยังไม่กลับมาปล่อยหน้าที่การขนย้ายให้แก่คณะนายจ้างตามลําพังโดยทิ้งพรานพื้นเมืองทั้งสี่และลูกหาไม่ให้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 ไปถึงเต็นท์นอนเอาไล่แล้วถ้างั้นก็เชิญอยู่ไปคนเดียวฉันจะขนสมัครพับพวกไปนอนแคมป์ตามเดิมก็ได้ธุระอะไรพี่ใหญ่แนละทุกคนจะต้องอยู่บนเรือนนี่ทั้งนั้นยกเว้นเธอคนเดียวเธอจะมีคู่หูอีกคนก็คือตะพานใหญ่นั่นเชิญไปนอนกันนอกเรือนสองคนบอกกล่าวก่อนต่อให้เธอมีผานใหญ่เป็นพวกก็อย่าได้มาทําแข็งข้อปฏิวัตินะคะแนนเสียงของฉันสําหรับประเทศหล่มช้างนี่เดี๋ยวนี้มาลิปทีเดียว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 ทำไมหรือน้อยทำไมราคาพี่ใหญ่หล่อนล้องเบาๆตาคุณสอแววหงุดหงิดกับฟัดกาแฟตอนดึกของเมื่อคืนที่แล้วย่อชายนายรพินคนดีของพี่ใหญ่เกือบจอดไปแล้วมาเรเลียเล่นเสียงงอมตอนที่น้อยออกไปพบนะ่าไม่มีสติแล้วสั่นเป็นเจ้าเข้าน้อยบุญคามแง่สายปั้มกันพากใหญ่กว่าจะเอาไว้อยู่เพิ่อจะจับได้เมื่อค่ําคืนนี้เองว่าเขามีโรคประจําตัวอยู่เรื้อรังมานาน ทำท่าจะไม่ค่อยดีนักพี่ชายกับเพื่อนมีอาการตกใจในทันทีที่ได้ยินรอนพูดแล้วพินเป็นมาเรี ย, รยหรือเช่ถาอุธานดาลินหัวรอ้อนแค่นๆขนาดหนักด้วยค่ะแต่เขาไม่ยักบอกให้น้อยรู้สักนิดว่าเขามีโรคประจำตัวอยู่ทั้งๆ ท, ที่น้อยก็เป็นหมอเมื่อคืนนี้ดีที่ออกไปพบเข้าเองถึงได้รู้ขึ้นไอ้โรคชนิดนี้เวลามันไม่สดงอาการขึ้นก็เหมือนคนดีๆทั่วไปมองไม่เห็นวี่แววเลย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 มาเรียลีมันกลายเป็นจุดอ่อนของเขาเสียแล้วถ้าไปเกิดจับสั่นขึ้นในนาทีฉุกเฉินที่สุดก็เสร็จกันเท่านั้นละพินไม่เป็นละพินอีกแล้วหัวหน้าคณะและชายยานแสดงความวิตกกัวงวลใหญ่และขนความประหลาดใจยอย่างยิ่งในข่าวที่ได้รับทราบต่างสอบซักถามดาดินเล่าให้ฟังโดยละเอียดในเหตุการณ์ที่หลอนพบเมื่อคืนไม่น่าจะปล่อยให้เป็นเรื้อยลังมาจนถึงเดี๋ยวนี้เลยเชี่ยวขาบ่นออกมาด้วยความเป็นห่วงนี่ถ้าขึ้นสมองไมิเสร็จเลย อ๋ไม่มีปัญหาหรอกค่ะในข้อ น, นั้นแล้วก็ยังรับรองไม่ได้ว่าเมื่อไร่เชื้อมันจะแพร่ขึ้นสมองอาการเท่าที่เห็นเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่น้อยมิหน้าล่ะเมื่อเช้านี้เห็นหน้าเซียวเซียวโรยๆชายยันเอ่ยขึ้นเบาๆแต่ฉันก็ไม่ได้เฉลียวคิดอะไรนึกว่าอดนอนว่าอันที่จริงแล้วมาเรียกับนักเดินป่าทุกคนจัดว่าเป็นญาติสนิททีเดียวไม่เห็นเคยมีใครหนีพ้นสักคนมากหรือน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็หันไปทางกลุ่มผ่านพื้นเมืองอันเป็นคนของรพินถามว่า พลานใหญ่จับสรรันอยู่บ่อยๆไหมพวกนั้นพากันยิ้มแห si ้แหงๆมองหน้ากันเองบุญคําผู้อาวุโสและใกล้ชิดกับนายยิ่งกว่าทุกคนก็เป็นคนตอบแทนมาก็ไม่บ่อยนักหรอกครับในรอบเดือนก็เอาเสียครั้งหนึ่งเวลาจับขึ้นมาก็นอนคุ้มโปงสรันง่ากๆอยู่พักหนึ่งพอมันสางลงแล้วก็ทําอะไรๆ ไ, ได้ตามปกติเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เป็นอะไรแล้วเคยไปจับสรรันขึ้นในระหว่างตามรอยสัตว์ค้างสําคัญบ้างไหม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 หายเขาป่าไปอีกแล้วอย่างนี้ไหวเหรอตามปกติแล้วเชษฐาวราดิตไม่เคยสนใจด้วยในกรณีที่น้องสาวของเขากล่าวอะไรพาดพิงไปถึงระพินแต่ในครั้งนี้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมองข้ามไปเสียราชสะกุลหนุ่มหันไปทางพวกพานพื้นเมืองแล้วบอกมาเป็นงานเป็นการว่าใครก็ได้สักคนหนึ่งบอกว่าฉันเรียกให้มาที่นี่เดี๋ยวนี้เกิดว่องไวกว่าเพื่อนกระโดดผุ่งลงจากชานเรือนเดินอ้าวไปในทันทีที่นายใหญ่ออกป่า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 ระยะห่างทั้งสองกิโลลูกเขาคนละลูกมองเห็นด้วยหรือดารินร้องออกมาอย่างไม่แน่ใจแต่หางเสียงไม่ไวายสานจ้องหน้าเขากะม็งถ้าเป็นงูเขียวก็คงไม่เห็นหรอกครับแต่นี่มันรถไฟทั้งขบวนบังเอิญหรือเกินด้านที่มันเลื้อยลงมาเป็นป่าไม่ทึบนักมีหนําซ้ำบางต อ, อยังเป็นที่ร่องเตียนพวกชาวบ้านไปทางไว้สําหรับเตรียมทําไร่ถ้าเห็นคนเดียวก็อยากจะเชื่อว่าตาฝาดเหมือนกันดารินรู้สึกเหมือนจะเป็นลม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 แล้วโรผีนก็หันกลับมาทางหัวหน้าคณะ